ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 สแผ่นที่109โดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดีรัานีคติธรรมก่อนฟัง m อ3สแผ่นที่ร0 9ให้คติธรรมว่ายัตอัรถาว่าหังสุตังศิลปะที่ศึกษาดีแล้ว ย่อมนำประโยชน์มาให้นี่คือพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในมวลมนุษยชาติไม่ว่าอยู่ในสถานะไหนไม่อยู่ในไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนเกิดมาในยุคไหนก็ต้องมีจะต้องศึกษาเรื่องศิลปะวิทยาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่บางยุคก็ศิลปะก็เยี่ยมยอด แต่บางยกก่ศิละปะบางทีก็มียกศึกสงคราม น, นั้นแปลว่าศิละปะควารู้สึกว่าไม่ได้ศึกษาเท่าที่ควรเพราะมันมีสิ่งภายนอกเข้ามารบกวนแต่บ้านเมืองยุคใดสมัยใดมีความร่มเย็นผาสุกศิละปะทั้งหลายก็ช่วยกันคิดช่วยกันการกรองแล้วก็ศิละปะจะละเอียดอ่อนจะได้ความ ยดสวยงดงามในยุคในในสมัยนั้นตลอดถึงศิลธรรมคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมก็จะเกิดขึ้นในในยุคสมัยที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขออช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาอันนี้ก็ในหลักธรรมคำสอนที่ว่ายัตถาอัฏฐาวาหางสุตังศิลปะ ที่ศึกษาดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาให้ถ้าเมื่อเราได้ศึกษาศิลปะวิทยาและก็นำศิลปะนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือในกลุ่มในหมู่ในคณะนะในประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราก็จะได้รับความสะดวกสบายหรือร่มเย็นเป็นสุขในศิลปะวิทยาที่พวกเราได้ค้นคว้าศึกษามา